กรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามและปราณีตกันลยานการีกันลยานางังปาบการีจะปาบกังทมดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอิมัสสะธรมมะริ ย, ยัสสะอัทโทสาทายสัสมันเตหิ สัดกก จ, จังธรมโตับตโปตีอาามิลงโ อ, อกาสตอนนี้ไปก็จะได้ฟังว่าธรรมเจนนาขอนอบน้อมแด่พระธรรมาพระพุทธเจ้าอรหันตะสมมาธรรมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัด น, นี้เป็นการเวลาแล้วที่เราจะได้ วางพระัรรมเทนาพาาัลนาศาสนาธรรมกรมสั่งสอนของพระสมณะพระพุทธเจ้าเพื่อประดับสติปัญญาของเราให้มีความรู้มีความเข้าใจจากการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักของธรรมชาติคือธรรมธรรมคือธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละสํรราคัญที่สุดเป็นศัจธรรมอันหนึ่ง ทีไม่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีใครจะยาะหยุดฉุดเอาไว้ได้คําว่ากรรมก็หมายถึงการกระทำทำทางกายเรียกว่ากายกรรมทำทางวิจาเรียกว่าวจีกรรมอทำทางใจเรียกว่ามโนกรรมทีนี้ กรรมทั้งสามมันจะอาศัยให้ชมวิตผลก็ต้องอาศัยจิตใจของเราเป็นผู้รับเป็นผู้สั่งทำใจเป็นก้อนเนื้อสาหรับถูกฉีดโดยฮิตไปเรี่ยงร่างกายแต่จิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์กระทบมาทางหูบ้างตาบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้าง กายบ้างแล้วก็จิตใจของเราเพราะจิตเนี่ยเป็นที่รับอารมณ์สวยอารมณ์สําหรับสิ่งกระทบมาแรงหน่อยถ้าจิตรับอารมณ์รุนแรงเป็นอารมณ์รักอารมณ์สหวั ง, งคือความรักอารมณ์โกรธต่อความผิดหวังบางอย่าง อาจาะให้จิตใจของเรานั้นผันแปรไปตามสิ่งที่กระทบสัมผัสถ้ <c oughs> ากระทบมาแล้วเรามีการฝึกจิตทำใจไว้ให้มันมีสติเพียงพอต่อการาดำรงชีวิต้ามีสติพอในการใช้งานเราก็จะไม่เสียท่ากิเลสต่างๆที่แฝงมาใน โลกเสียงกลิ่ลนรสต่างๆนั้นแต่จะมีสติปัญญารู้เท่าทันโลกที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้สัมผัสแต่และอย่างละอย่างเข า, าทำหน้าที่ต่างๆกันจะเอาจมูกไปเห็นก็ไม่ได้ เอาตาเอาเอาเอาเอาตาไปฟังมันก็ไม่ได้ตาก็มีหน้าที่เห็นเท่านั้นนะอากจะฟังเสียงก็ต้องใช้หูหูก็ได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวไม่รู้ว่าเสียงคนเสียงสัตว์แต่ที่รู้ว่าเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เสียงดีเสียงชั่วอันนั้นคือจิตใจของเราที่ว่า จิตคือสภาวะรับรู้อารมณ์ที่กระทบมานี่ถ้ารู้แล้วเราเคยฝึกจิตไว้ดีแล้วก็เราจิตใจก็จะสงบนิ่งเพราะมีสตินีก็ตามตรงนิ่งชั่วก็ตามยิ่งต้องนิ่งให้สงบแล้วก็ใช้สติพิจารณาใท้ทควรใช้สติของเราเนี่ย ให้นิ่งก็ไว้ก่อนแล้วก็ใช้ปัญญาไข้ควรกันกองสิ่งที่มักระทบสัมผัสเราว่ามันมีเสียงดีไม่ดีอย่างไรเราควรจะตอบรับขนาดไหนเราจะไม่ใช้กิเลสออกไปตอนต้อนรับอะไรสิ่งที่มักระทบหรือม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ดี ยั่อวยุให้เราเกิดอารมณ์เกิดความโกรธเราก็จะไม่โกรธเพราะอาการโกรธทําให้เราเสียเสียกริยาเสียมารยาทแล้วก็เสียระบบประสาทที่ต้องเครียดเสียจิตใจที่ต้องมืดมนกับความข้อบ ง, งามของความโกรธก็ดีความโลภ ก, ก็ดี โลกก็ปิดบังปัญญาถ้าไม่รู้ความจริงว่าอะไรมันปนอยู่ในความโลกมีอะไรบ้างที่เป็นถึงแอบแฝงจะให้โทษเราในความโลกเหล่านั้นพราะฉะนั้นเราต้องมีสติรู้ใครควรแล้วก็ให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราเราก็จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียสิ้นเปลืองทำอะไรก็จะไม่มีการ จะเกิดความเสียเพราะาเรามีสติก่อนแล้วก็ไม่ีสมาธิคือจิตใจที่แน่วแนว่คนมีสติจะมีสมาธิมีสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญามาจิตแล้วเพ่งมาในสิ่งใดเราจะเห็นความจริงในสิ่งนั้นเพราะการเพ่งเดียวไม่ขาดเคลื่อนเพ่งหัวใจรู้ความจริงในสิ่งต่างนั้นก็จะปรากฏโลกชัดเจนขึ้นแล้วก็ ภายในสถานที่นั้นก็จะมีอะไรที่แอบแฝงอยู่เราก็จะรู้เข้าใจจริงๆเรียกว่าจะมีปัญญาคอยคอยแยกแยะเสียงอย่างไรสูงต่ากลางขนาดไหน <c oughs> เราก็ย่อมรู้นะว่าใ น, นเสียงมันมีอะไรปนเปื้อนมาบ้างมีเรื่องราวอะไรปนมาใ น, นเสียงนั้นพอเสียงนี้ได้เข้ามาสู่จิตใจผู้รับรู้อารมณ์เหล่านั้นแล้ว ข้ามาในระดับของสมาธิทิศที่จับจ้องได้แน่วแน่แล้วเนี่ยล็อกเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็จะต้องแยกแยะให้มันรู้ว่าเป้าหมายนี้มหมายความว่าอะไรเราก็จะไม่เป็นผู้ที่ใช้อารมณ์ผิดพลาดหรือใช้ใจิตใจเราผิดพลาดใน ปฏิบัติการหรือว่าหน้าที่ที่เรากำลังดำรงอยู่ถ้ามีสติทุกอย่างนถ้าใช้กายทำไม่ยังมีสติสิ่งพิงมากรรมออกมาทางกายจะเห็นความละเอียดถี่้วนพอจิตคอยควบคุมกายเขาไม่รู้อะไรก็เป็นไปตามที่เราสั่ง <c oughs> สั่งดีเขาก็ทำดี ต่าม่ีก็ทาาํามดีเรียกว่ากำมังสติวิพัชติรำย่อมจำแนกสัตว์คือให้สามและปราณีตเราพยายามฝึกจิตทำใจมให้เป็นผู้ที่มีเหตุมีผลจะโพดาก็ใช้วาจาที่สุภาพอ่อนหวาน พยายามเจริญเมตตาให้มันมีเพียงพอในจิตใจของเราถ้าเมตตาในใจแล้วไม่มีเลยแล้วมุจจะความเห็นกับตัวเห็นกัตนเห็นกับปากแก่ท้องเห็นกับพวกก็ให้กับพวกฟ้องอย่างเดียวไม่มีจิตใจเฉลือเจื้อจานมันดาสัดโลกทั้งหลายที่เกิดมาร่วมชะตากรรมเดียวกันกับเราจิตใจเราไม่ฟางขวาง เรียกว่าจิตแคบติดแคบแทบทําอะไรก็ไม่ค่อยจะอไม่ค่อยจะรุ่งเรืองหรือว่ารุ่งโรดอย่างจิต้องมีความว่างขวาง ม, ม, มีเหตุมีผลมีสติเพียงพอมีปัญญาสมาธิปัญญาพอในการที่จะขับเคลื่อนแล้วมี เมตตาเป็นกองหนึ่งจะใช้เจะเปิตาผมมีหานทื่พาผมหามีอะไรบ้างเมตตาปาตตนาสัตว์ผลึกคำว่าเมตตาการุณาใช้เหลือเกืือกูลโอกาสก็จะทำได้ผูทิตายินดีผืนดีอิจฉานิสยาอุเบขาวางเฉยแม่ศัตรูถึงความวิบัติก็ไม่แช่งซ้ำ อันนี้เรามีพร ม, มิหารอยู่ในใจของเราเปี่ยมล้นทนเอือดตลอดเวลาเป็นมนุษย์เขาเรียกสมุติเทพมีอีกสองอย่างฮิลิและไอต่อ บ, บาปโอตปะเกงกลัวต่อ บ, บาปบาปนี้เราไม่ใช่กลัวฆ่าฆ่าไปฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าโค ก, กระบือจะคำว่าว ระอายตบาาบาปทื่จะไม่เกิเดขึ้นดกแล้วก็ทางกายทางวาจาทางใจนั่นแหละถ้าระงรับตรงนี้ระงรับได้หมดไม่ว่าจะเป็นสัตวเล็กสัตน้อยสัตใหญ่ <c oughs> มาระงรับที่จิตใจของเราฝึกจิตให้มันรู้บาบรู้บุญรู้อะไรเป็นคุณรู้อะไรเป็นโทษที่ตรงนี้เขาก็จะไม่สั่งให้ปากทำผิดพูดผิด ทุจริตทางวาจาให้กายทาผิดทุจริตทางกายกายกรรมอันนี้เรียกว่ากรรมมังวิสุจธิจิตบุคคลย่อมทำารทากรรมอย่างบริสุทธ ดีก็ทําด้วยความบริสุทธิ์ชั่วก็ได้สุดริอย่างบริสุสทธิ์ถ้าทําไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปโทษใครถ้าเรามีสติเพียงพอเราต้องอยอมรับผิดชอบทําแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบจะไปโทษคนนู้นคนนี้ก็ไม่ได้มันทําลงไปสําเร็จลงไปแล้วมันก็เป็น ปหาณาจิตหมายถึงว่าสำเร็จแล้วก็ทางวาจาก็ก็เป็นบาปทางวจีกรรมทางกายก็บาปทางกายกรรมและสิ่งอีกนาให้เราทำกรรมชัว่วกรรมดีก็มีเท่าความโลกความโลกความโกรธความหลงสามอย่างสำคัญที่สุดเป็นกินเลส หัวหน้ากิเลสมีไม่มากเลยสามอย่างแต่ทำลายมันไม่ใช่ของง่ายเพราะอยู่ในจิตใจของเรามาเป็นระยะรายยาวนานทั้งระเวียนไหตายเกิดเมื่อก็มากับเราเกิดขึ้นมาก็เกิดมากระ เ, เราดันั้นมารู้ชาตินี้เรามาทำความศึกษาให้รู้พิษภัยของกิเลสสามกองนี้ก่อนถ้าสามกองไม่บรรเทาเบาบางลงแล้วอีกสี่กองมันจะตามมา สามกองนั่นก็คือกิเลสความโลภความโกรธความหลง <c oughs> โฉลบไม่สมหวังเกิดโกรธโกรธขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทิฏฐิคว <c oughs> ามโกรธทิฏฐิเกิดจากความโกรธมันจะไม่เป็นธัรมาทิฏฐิหรอกเป็นธรรมะทิฏฐิไปไม่ได้เพราะมันเกิดจากความโกรพธพุทธเจ้ามาแด้นำเอาความโกรธไม่ใช้ท่านเอาเหตุผลมาใช้ ความโกรธขึ al ้นมาแล้วว่าเกิดทิฐิทิฐิก็จะทําให้เราเห็นหมายถึงว่าความเห็นใครก็พูกเราไม่ได้ความเห็นพวกเราต้องยิ่งใหญ่กว่าของใครทั้งหมดพอความโกรธเกิดขึ้นแล้วกเทวดาจะมาสอนก็ไม่เอาแล้วใครจะมาสอนก็ไม่เอาแล้วาถือความเห็นของเราเป็นใหญ่ถือพรกพวกเราเป็นใหญ่ นในที่สุดก็แบ่งฝักแบ่งควายกันนะไม่เอาความเห็นของส่วนใหญ่แล้วเอาความเห็นของเราเรียกว่าจึงเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิเฉยๆเป็นความเห็นแต่ถ้ามันเกิดร่วมกับความดีเกิดจังหวะทิฏฐิจะเป็นสัมมาทิฏฐิเกิดด้วยความสมหวังด้วยความ อ, อบอิ่มเ บ, บ, บิกบานจิตใจสติปัญญาเราก็จะะเอียดอ่อนลึกซึ้ง ในการได้มาถ้าได้มาแล้วถ้าได้มาอย่างนี้ที่ว่าไม่น่าพึงพอใจได้มาทางทุจริตเนี่ยสิ่งที่เราได้มากะ็ะโจนเปื้อนมากับบาปนี่นะสมบัติเราได้มาจากบาปเนี่ยสาคัญที่สุดเอามาไวชา้ชสมบัติได้มาเราไปทำอะไรโลกยาสมบัติ เอามาก็เท่าก็าเอามาใช้ในกิจวัตรประจำวันเราใช้นุ่งหืมใช้เป็นค่าอาหารใช้เป็นยารักษาโรคใช้เป็นเครืองหาฐานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใช้เป็นเลือกสวนไรนาโชกียสมบัติได้มาก็ต้องมาทำทางฐานทางฐาน แห่งความาเป็นอยู่ของเราให้มันมีความอุดมสมบูรณ์นั่นก็เป็นโลคิยะทรัพมันเป็นโลกิยะทรัพใช้โลกิยะปัญญาสแสวงหามาได้แต่ทุจริตไม่ทุทริตก็หาได้แต่หาได้สร้างทุจริตมันได้เงินปนบุญมาด้วยแต่ละาทุจริตในการในการวาจาใจาได้เงินมา จะเป็นล้านสล้านสามล้านสี่ร้อยล้านมันกระโนบุญมาด้วยไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายมสมบัติได้จากบุญได้จากสัมมาทิฏฐิไม่ไม่ไม่เดือดร้อนถ้าเราได้มาทางทุจริตเป็นมุขฉาทิฏฐิได้มาก็จะมีแต่ความเดือดร้อนอา่ะมาทำที่อยู่อาศัายก็อาจจะหนีไม่พ้นกรรมเวรแีะกรรมมัง อุยพระติอมันจะตามเรามานะำ <c oughs> มาทานเรือนชานบ้านช่องก็อาจจะหนีนกฎแห่งกรรมพ้นแดกว่าจะเกิดิ่งที่ตามมาคืออักคีภัยบ้างอุทกภัยบ้างน้ำน้ำวาตภัยบ้างลมแล้วก็ ทวีไปนไวมัง่งดินน้ำหลุมไฟสีอย่างนี้ก็จะให้โทษแกเราเกิดแรงๆวานช่องจะได้มาโดยการทุจริกยนหนีไม่พ้นทุททะกะข์ภัยกี่ภัยว่าต่อจนถึงปัตตภีภัยเอามาซื้อเป็นเลือกสวนแล่านากันหนี้ไม่พ้น ซื้อน้ำมากกว่าน้าล่มเพราะน้ำท่วมบ้างไม่ได้ข่าวล่มเพราะฝนไม่ตกบ้างทำไม่ได้ล่มหล่ยหลายหลายหลายอย่างที่มันจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเล่นงานสมบัติของเราที่ได้มาในทางทุจริตเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ชีวิตของเราก็จะลุ่มลุ่มโดนดดนไปไม่สุดเส้นทาง กึ่งกลางๆหันหน้าหันหลังนี้ถ้าเราเดินไม่ยไมพยายามใช้สติจริงๆมุ่งหน้าเดินนี่มันสุดให้ตรงไปสู่ความปรารถนาตรงไปตูความสำเร็จเราไปได้สักพักก็จะเกิดความทออถอยเกิดความว้าวีเพื่อนเขาก็าไปกันไกลริบ ๆ, ๆแต่เราก็ยัง นาวาชีวิตของเราไปอย่างไม่มีเป้าหมายไม่ขับไม่เป็นควบคุมไม่เป็นเรือกวนไปวนมาเพะนการที่เราจะเดินไปสุนมหาปลายทางเราต้องขยันหมั่นเพียรคุณสมบัติจะนำมาถึงความสำเร็จในการประกอบภารกิจใดๆก็ตามเราต้องมีความขยันเรว่าบวิทย ทมแลวต้องมีความอดทนอดกลั้นเรียกว่าขันติธรรมขันติธรรมวิยะธรรมแล้วต้องมีเมตตาธรรมในการที่เราจะำดำาริชีวิตไม่เห็นแก่ได้อย่างเดียวเราต้องเห็นถึงสิ่งที่เราได้มาด้วยว่ามันจะยั่งยืนถาวรไหมถ้าเราได้มามันไม่ถูกตามหลักทมคำสอนจริงๆแล้ว แล้วก็นี้ไม่พ้นกฎแห่ง ก, กรรมแตตามล้างตามล่าเราไม่เลิกนี่ล่ะตั้งต่ปฐมโพธิการมัชจมะโพธิการถึงปัจฉะโพธิการพระองค์ทรงหลับขันพระนิพพานมาแล้วเนี่ยองค์ตัตตุรุแล้วก็นำเอาสิ่งเหล่านี้เอามาประกาศให้ญาโยามไม่รู้หลักการตรงที่ถูกต้องแล้วจะได้เป็นไปได้อย่างสงบถูกลมเย็น ครอบครัวอยู่อย่างปอบ อ, อุ่นสังคมเราจะอยู่อย่างสงบไม่มีเรื่องราวรล้าวฉานจึงได้นํำอาระเบียบวินัยขององค์ทรงตัดจรุเห็นแล้วว่ามนุษย์เป็นสัตว์ถังคมเป็นสัตว์ที่ประเสริฐประเสริฐประสารโลกทั้งหลายมนุษย์เราเนี่ยเพราะเห็นว่าเป็นสัตว์ประเสริฐท่านจ็เกันเอาระเบียบวินัยต่างๆเอามาให้ ฆราวาสญาติโยมคลองเรือนท่าก็กันนมาไหมห้าข้อกันมาจากไหนกันมาจากศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อของสมภิกษุออกั่นออมาแล้วได้ห้าข้อศีลของสำเรียนสิบข้อกันมาแล้วก็ได้ห้าข้อศีลวาาอุบาสิกาโพรุกษาศีลวาสุตระแปดก็กันมาแล้วก็ได้แค่ห้าข้อ <c oughs> เพราะในศีลทั้งหลายเฉพาะองค์ทรงกลั่นมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ศีลสองร้อยยเจ็ดศีลสิบศีลแปดของอุบาหะพระธรรมาทานศีลท่า น, นก็เห็นแล้วว่าศีลทั้งหมดเนี่ยที่จะนา ม, มาให้แก่คารวะจะโดยพวกมีเวลาที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือปฏิบัติอย่างจริงจังเนี่ยก็ให้หัวข้อข้อมาให้จำแล้วก็ให้ละเว้นไว้ก่อน แต่ปณิธานนาทานกาเมชุมิกฉาจาร์มุษาสุราห้าคอ้ินละถ้เราไม่ศีลห้าคอทุกคนทุกคนทุกคนตามหลักทมความสอนพระเจ้าจุงพระองค์ทรงประทานให้จากสองพันป่าปีมาแล้วเนี่ยเรารักษาให้ดีด้วยความเคารพด้วยความชื่อสัตว์ไม่ทำให้ศีลนั้นขาดวิ่นด่างพ้อยปฏิบัติอยู่ในองศีลตลอดเวลา เพราะมันเป็นระเบียบวินัยในความเป็นอยู่ของมนุษย์ผููประเสริฐเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีจะได้อยู่ด้วยกันไม่ข่มเหงกันเลงร้ายกันจะได้ไหมทำมาหากินก็จะเป็นไปด้วยความสงบถูกลมเย็นแม่สิห์ก็ห้าข้อเนี่ยบ้านแล้วก็ไม่ต้องปิดประตูนอนต่างคนต่างวันต่ิดปตนอนก็อยู่ได้อโรงงานทั้งหลายก็ไม่ต้องมีกำแพงรอบอ เราก็อยู่กันได้ว่างก็เติมไม่มีรั้วรอบขอบชิดอะไรก็อยู่ได้มันต้องปิดตูน้นอนก็อยู่ได้สามสิบห้าทุกคนทุกคนเห็นมหมอ๋อสิบห้าทุกคนทุกคนดีกว่ามีกฎหมายต้องไม่รู้กี่ร้อยข้อกี่กี่ร้อยมาตรา <c oughs> มีถึงแค่ห้าข้อแต่ห้าข้อ่จะแปลมาละเอียดอ่อน จริงๆแล้วมันน่าทะยดทะยองนะก็น่าจะพึงกลัวอย่างยิ่งเพราะมันผิดพลาดมันไม่ได้เกิดแก่ใครเกิดแก่เราผู้กำลังภาวนากาลังกำลังศึกษาถ้ามันไม่เกิดแก่เราเราก็มีแต่ความสบายมีพลังกายมีพลังใจมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มายอย่าง อย่างสุดจริษกินก็นไมนะานนาทอนร้อนใจจะให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่มีแล้จะก่อให้เกิดแต่พลังงานที่ดีเพราะจิตใจเราก็ดีไม่ต้องอะสะทกสะทะสถทานขณะขณะที่กินถึงการกระทำถ้าเราได้มาทางสุดจริษกินเข้าไปก็ก็มีความขยดสยองตัวเองบ้างบางครั้งบางก ร, ราวคนเราไม่ใช่ชั่วเสม อ, อยีบสี่ชั่วโมงบางทีความ ความผิดชอบดีชั่วมาเกิดขึ้นขณะหนึ่งเวลาใ ด, ดก็ได้มอยู่คนเดียวงีเงียบเงีย้ยเราจะมีพักพวกเพื่อนผูงมากมายมีคนนับหน้าถือตาเป็นคนมีเกียรติยศลดนิยมในสังคมแล้วก็ต้องมีศีลเนี่ยเป็นที่ประ จ, จักษ์ยืนหยัดทห้งานแสนนา น, แ, น, น, านแล้วก็ไม่เบือ่อไม่ถอยเราจะไม่ถอยทำไมล่ะก็ทำแล้วมันได้ดีนะ ทำแลมม้มีความเจริญมีความก้าวหน้าใครจะอยากใครจะอยากเบื่อถอยี่จะยิ่งจะ่ทำละเอียดวันนี่ก็ไม่ได้เรื่อยจนฝันฝันฝ่ามันจะเดินเข้าสู่สิงแปดเองโดยอัตโนมัติเขอมันยิ่งทำดีได้ดีมันก็ยิ่งการาทำ พอทําแล้วได้ผลใครก็อยากทำเหมือนเหมือนเราค้าขายค้าขายได้ผลกำไรงามใครจะใครจะไม่ไม่รีบค้ารีบขายมันทีนี้ถ้าทําไม่เราทําไม่จริงไม่ตังทําแบบชนิดว่าอสมัครเล่นอย่างเงี้ยมันก็ได้บางเสียบางระเวงกรรมต่างๆนี่ไม่ใช่กระทำให้เรานะเราเป็นคนทํา ให้เราก็เปต้องเป็นคนใช้ด้วยแต่เงินทองเราเราเราทําได้โลกิยทรัพทํามาได้โลกิยธรรมต่างๆนี้หาทรัพมาได้แล้วให้คนอื่นใช้ได้ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องจิตใจฟว้างกว้างก็ยังให้คนที่มัรู้จักแต่ว่าอยากจนเฉ็นใจไร้รัพต่างๆนี้ถ้าเรารู้คือเว่ า, เายังหนีความตนมาคอยพ้นเราก็ต้องรีบทําทานกขาว่า ทำทานแก่สำนัชีพามหรือผู้อยากไรคำว่าอยากไรในที่นี้ก็หมายถึงว่าผู้ที่ทรรมหากินเพื่อปากเพื่อท้องอะน ะ, อะเชื่ยวออกขอ อ, อ, กอะไรถ้าเขาขอให้เถอะจะเป็นมือ่อ ด, ดีดีก็ให้แ้่อย่าไปด่าเขาให้คือความเคารพในผลทานเหล่านั้นเขอให้พอแล้วก็ รับด้วยความอ่อนน้อมเนีย่ยพรพอนมันของดีเขาให้เรามาเรานับถือเราอ่อนน้อมรับเนี่ยเขาจะได้รับเร็วแต่ก็ให้มาเราทําเป็นว่าเอ้ยขอทานมันเห็นมีอะไรนี่ได้แต่ฝากฝากให้มาให้อยู่เย็นเป็นถูกให้มัง่งมีที่สุขไปถูกน่นล้วก็เลยคิดถู ก, ถกเอาความพรอนที่ดีประเสริฐของเขาเหล่านั้นมาเป็น ตัวเขาเองที่ยังยากจนเขินใจ อ, อย่างนี้มันก็ไม่ค่อยได้อะไรเสียเงินเปล่าได้น้อยถ้าเราใข่ด้วยความเคารพรับด้วยพรที่เ ข, เขาให้เรามาเนี่ยมันไม่มีใครให้พรเราให้ให้ให้ตายหาตายหงคงไม่มีหรอกมีแต่ให้ดีเท่านั้น เพราะเราก็ต้องน้อมรับเอามาใส่ใจล้วไว้เพื่อจิตใจอ่อนโยนเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิไม่มีมานะไม่มีตัณหาประทาน <c oughs> ถ้าสามตัวของกิเลสใหญ่ๆนี่ไม่เบาบางลงมันจะตามมาอีกสี่ตัวคือ <c oughs> ทิฏฐิทิฏฐิมาแล้วกับมานะถือตัวถือตนทำกากิริยาต่างๆยะโธโอหังไปตามอารมณ์ของจิตที่ มานะถึงตัวถึงต้นเหล่านั้นอ <c oughs> พอมานะเกิดแล้วจะตามอีกตันหาทะเยอทะยานขันแข่งกันแล้วตอนนี้แต่แข่งนั้นระหว่างที่ผ่านมาจากความโลภความโกรธแล้วเนี่ยแล้วมาถึงตันหาทะเยอทะยานขันแข่งตอนนี้มันกลายแข่งไปไปสู่นรกแล้วแข่งแข่งกันไปสู่ความหายยะนะเพราะว่ามันเกิด แข่งกันด้วยอำนาจกิเลสไม่ใช่เกิดอำนาจธรรมความเห็นชอบเนี่ริชอบเี่ยเกิดมาจากความเห็นผิดดำริผิดคิดผิดอืต่างคนต่างชั้นขันแข่งเพื่อจะเอาตัวให้เด่นว่าใครว่างั้นกันความมานะมันถือขึ้นแล้วเนี่ยว่าจะเอาให้เด่นกว่ากันนะตัวตันหายเลยก็ทะเยอทยาน อยากได้คไขว้าสรารพัดเพื่อจะเอามาเป็นกรรมธิดของเราค้าขายก็อยากให้ดีกว่าเขาก็หาวิธีหาเลขเรียุบาย ท, ทำลายสินค้านั่นกั น, กนโดยอาศัยลดราคาสินค้าเกินความเป็นจริงบมืองเล็กน้อยขายไปขายมาก็เลยต่างคนก็ต่างค่อยๆขาดทุนไปเรื่อย หมดเลื้อหมดตัวมาเรื่อยๆยไอ้ตัวกิเลสมันมีเจ็ดอย่างนั้นเองนกิเลสคนเราเนี่มีโลภโกรธหลงทิฏฐิความเห็นมานะถือตัวถือตนตัณหาทโยอทยานขันแข่ง น, นะะอุปท า, านสวามยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกี่พบกี่ชากี่กลับกี่กักน แต่มันพารเวียนว่าแต่เกิดลักษณะนี้เดี๋ยวนี้เราก็ยังไม่เคยทำนึกถึงความผิดพลาดบกพร่องของเราที่ทำไมถึงจะต้องเวียนวนทนทุกข์อย่างนี้ม่จับจบจากสิน้นอีกกลับกี่กันแล้วที่เราเวียนมาเนี่ยชาตนาไม่ใช่เราไม่เคยเจอพุทธเจ้าเคยเจอเคยเจอแต่เรายังบารมีอินทรียังอ่อนแอเกินไปความทำคาสอนของพระองค์ก็ยังไม่เข้าใจ แจ่มแจ้งลึกซึ้งจริงๆถ้าจึงต้องลำบากมาวนอยู่อย่างนี้และจะลำบากที่กิพิภพิชาติชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบเร่งแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วิ่งใดที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ในจิตใจของเราที่ยังไม่สมบูรณ์แบบแในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยพระเรียกว่าเป็นศาสตร์ประเสริฐเนี่ย เราจะไม่เอากรเละมาใช้ปนเปื้ปอนในการทาําภารกิจต่างๆเราจะเอาแต่ธรรมะเอาเหตุผลต่างๆนี่เอามาใช้เหมือนก็จะไม่มีสิ่งที่เลวร้ายเอามาปนเปื้ปอนในการทํางานคือเชื่อว่าโกรธแล้วมันมีความโกรธแล้วมันมีธรรมจะทําให้เบาลงได้อกโกรธมันก็โกรธคุณตังพังพังไปใ น, ในใ จ, จิตใจของเราเนี่ยนะ ถ้าระยะเวลาความโกรธเกิดขึ้นไม่เกินห้านาทีปนปี้หมดแล้วข้าวของลูกเมียเกิดเกิดกับลูกเมียก็ลูกเมียก็ถูกทุกถูกตีจนแทบจะล้มลมตายนะเพราะความโกรธมันไม่มันไม่เคยเห็นใจใครนะไม่เคยเจเบาเบาไม่มีแล้วความโกรธมันต้องมันต้องวิ่งความโกรธต้ง ขอบงามใจไว้แล้วก็มันทุบทําลายป่วนพี้มาชั่ว ย, ยะไม่กี่นาทีป่นปนพี้หมดแล้วดีมันดียิงเขาตายแล้วคนเราความโกรธไม่ได้โกรธ ต, ตลอดไปเมื่อไหร่มันต้องมีโอกาสที่มันจะถอยออกมาได้โกรธมันก็หายได้พอมันหายโกรธผิดชอบถอดดีกลับมามจะเห็นความหายณนะระหว่างที่เราเกิดนะโกรธน้ามุตล า, ายนะข่าวของป่วนพี่หมด ถาโกดระหว่างครอบครัวสามีภรรยาก็ทำอะไรไม่ได้เต็มที่ก็โอกงน้ำก็ทะหม้อข้าวแล้วก็ไม่รู้หลักพังหมดน่ะเตาไฟพอหายโกรดแล้วต้องไปซื้อมาใช้ใหม่เนี่ยเปอย่างเนี้ยแล้วเราจะเอาความสุขที่ไหนมาล่ะถ้าเราทำเราระวังระวังใจของเราอย่าให้มันกลายเป็นเจ้าอารมณ์เนี่ยสำคัญ ทำใจให้เราจะเป็นเจ้าอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่ไม่ได้เอาเหตุผลมาใช่ดีกว่าอันนั้นมันเป็นแต่เพียงความรู้สึกอารมณ์ถ้าอารมณ์โกรธแล้วโอ้โหรุนแรงโลค ก, ก็เหมือนกันส่วนระยะเวลาเราคิดผิดทําการผิดนิดเดียวเราโลคแป๊บเดียวเท่านั้น เ, นเอีอยเราจะชาตินี่ทั้งชาติอาจจะใช้นี้ก็ไม่หมดต้องร่มจมร่มมาไหลก็ได้เพราะความโล้ บวกความโกรธขึ้นมาอีกเอาไปกันใหญ่และทิฏฐิที่เกิดจากความโกรธความโลภความหลง ม, มันก็เบาไม่เป็นอีกตัวโมหะมันก็เหมือนกับพัดลมโกรธขึ้นมามันก็ช่วยพัดเต็มที่เลยให้ความโกรธลุกโชดช่วงกันดึงไม่เป็นเท่าเป็นทานมัเนนะี่ยพอความโกรธสุดฤทธิ์แล้วก็ถอยมันก็ถอย ถอยอมาจะเห็นความหายนะของความโกรธช่วงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองปอนปี้หมดเห็นไห ม, มลูกกตีแค่จนเนื้อหนังแตกพัญยาก็ทะเลา ะ, ะใช้กำลังถ้าจนเจ็บปวดนอนโกดโวยอย่นั่นแต่ข่าครใตายก็ไปทุกคนระหว่างความโกรธถอยโถอยโกรธขึ้นมาก็ตังรอรับ โทษทันแล้วตอนนี้เสียใจก็ช่วยยังไม่ได้เพราะเราเราจะให้มันช่วยเราได้หรือให้เราเ อ, อไม่ทําความผิดเหล่านี้ได้เราก็ต้องมาฝึกจิตทําใจให้มันรู้จักว่ากิเลสถึงต่างๆนี่มันเป็นของทงหน่าสะพึงกลัวน่าขยะข ย, ะขยะงยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์ซะอีกไอระเบิดนิวเคลียร์มันจะหล่นลงมา ต, ตามูม ต, ตามตกว่าตรงเนี้ยพวกเราตายหมดเกลี้ยง แต่ขณะที่เราตายไปเนี่ยมันไม่ตายทีเดียวจิตํำนึกมันยังอยู่ยังลงไปเนี่ยโอ้ตายแล้วใช่ไหมตายแล้วก็เคยฝึกมาแล้วพระเคยสอนมาแล้วที่พึ่งอื่นว่าเจ้าไม่มีจะเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งท่านไม่ได้ว่าเงินทองกี่รอยล้านเป็นที่พึ่งนะเมื่อตายเนี่ย รถหลูรถลาเอาไปขี่เอาไปขับไม่ได้เพะงั้น น, นี่ยมันไม่มีให้ขี่ให้ขับแล้ <c oughs> จิตวิญญาณเขาเรียกว่าวิญญาณจิตอืมมันก็จะได้ใช้ยานของมันที่มันมามันก็ไม่ได้มาเนี่ก็ไม่ได้ขี่รถมานะมาเข้ามาอาศาัยในร่างกายเนี่ย มาตั้งกับเขาวางวางหยดเลือดว่าแค่คลายหางจามรีพอแม่วางาไว้เท่านั้นแล้วข้ามากก็ปรปจนที่กอนเลือดนั้นก็ใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยเรื่นกระทั่ ง, งครบกำหนดทดสมาตรสิบเลือดก็คลอดออกมาถ้าไม่มีวิญญาณอาศัยในก้อนเลือดนั้นอันี้ไม่มีวิญญาณเข้าชนที่ก้อนลดนั้นก็จะออกมาเองโดยธรรมชาติ อันนี้นี่แหละเมื่อเรารู้ว่าอกิเลสเป็นของที่น่าเกลียดน่าขยะแขยงใครอยากแยก็มาขุดใจอันมีค่าของเรามื่อะก็ไม่อยากถ้าเรารู้เหตุรู้ผลขนาดนี้ยรู้เหตุรู้ผลอย่างเนี้ยว่าอไอไความดีเนี่ยอนำเราไปถูกความเจริญรุ่งเรืองไปถู่มรรคผลนิพพาน ไปสู่สวรรค์เทวโลกภูมโลกอย่างน้อยไอ้ฟากชั่วเนี่ยนำเราไปไหนไปนรกไปอบายภูมิสี่ถึงอเวจีโน่นเห็นไหมแล้วใครอยากไปมึงนะแค่มนุษย์เรานี่ก็ยังอยู่อย่างลาบากอยู่แล้วดินฟ้าอากาศบางวันก็ร้อนบางวันก็หนาวบางครั้งก็ร้อนครั้งก็หนาวไม่เป็นที่พอใจอยู่แล้ว ทราอยู่ละลกตินแดงหรือว่าอากาศยิ่งไน่น่าพึงพอใจใหญ่ความร้อนก็ร้อนอบ อ, อา้าวเพราะเป็นที่อยู่ของของคนร้อน <c oughs> อากาศก็ร้อนความเป็นอยู่ก็เต็มไปด้วยเสียงข้ามควรโหยห้ายแลรพัดเพราะกระทำผิด แล้ ว, วคิดจะกลับตัวกลับไม่ได้เสียแล้วเพราะมันถลำลึกเกินไปอันที่จะกลับมาได้ง่ายๆก็พวกดีรชาณเดรชาที่อยู่กับเราเนี่ยมันพ้นเบญปุ้กรรมง่ายแต่เขาได้อยู่กับกคนที่มีบุญคือเขาทำพวกนี้ทำไมจึงได้มาอยู่คนมีบุญพวกดีรชาณทั้งหลายมีสนักมีแมวมีอะไรพวงเนี้ย โคกระเบื่องอะแต่ถ้าอยู่คนมีบุญนั้นมันก็นไม่ทำงานหนักเท่าไหร่อย่างสุนักนะอดีตก็เคยทำบุญให้ทานมาเหมือนกั น, น, นกเหมือนกับเราเราเนี่ยทำบุญให้ทานรักษาศีลมาตลอดแต่มาพลาดพังตอนแก่เข้ามาเกิดกิเลสมันเกิดความโลภมันเกิดขึ้นมาทำหมดวางปัญญาหมดละทันนี้ ก็แสวงหาแต่ทรัพย์สินเข้าไปนึกว่ามีมากๆมีเงินทุกอย่างทำอะไรก็ได้แต่ไม่จริงหรอกทำไม่ได้หรอกบานคนเงินเป็นพันล้านเงินล้านนั้นกลับประเทศไม่ได้ก็มีเช่นไนิลิปปนมาก็เนะกลับไม่ได้เป็นถึงประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์อ่ะเอางินโน ม, มานของอันดีน้ไปเข้าบัญชีตัวเองฝากแอบฝากไว้ต่างประเทศ เงินก็ประมาณเหลือการพัฒ น, นาประเทศก่อน้อยฝ่ายค้านรู้เข้าก็ลุกคือขึ้นก็ต้องหนีหัวทุกหัวทุนไปอยู่ต่างประเทศกลับมาก็ก็มาให้กลับอีกกลับมาต้องจับติดคุกติดตารางเขาว่าไงเข้ามาให้กลับอีกไ อ, ก อ, าาาากอก้เมียกลับคนเดียวตายก็ยังไม่เอาศพกลับอีกพนั้นมากอดเนี่ยเป็นถึงประธานาธิบดี ชาอนันดอนเท่ากับพระราชาเลยเนะมืม่อเร็วๆนี้จะเอากระดูกมาใส่ถุกสารมีลาชนเข้าไม่เข้าอีกเขาบอกว่ากระดูกของพนันมาก่อนไม่ใช่มีตชนเป็นทรชนเห็นไหมเอมอเป็นทรชนทรรลาชเนี่ย เพราะนั้นเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดง่ายๆเราต้องได้บุญมาทุกคนแล้วที่มาเกิดมันนั่งนเมื่ทุกคนมีบุญมากกว่าบาปถึงได้เกิดเป็นมุทตพุทธเจ้าสว่างนี่ทีนี้เราเกิดมาถึงได้เราเกิดมามีบุญได้เกิดเป็นมนุษย์ก่อนไอบาปเราก็ยังตามมาแต่มันมีส่วนน้อยอเรามาเนี่เรามาทั้งบุญทั้งบาปอบุญทําให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์พราะพุทธาสนาเป็นเป็นโชคชั้นที่สองอีกทีอีก เกิเป็นมนุษย์าายังพบพุทธศาสนาถ้าพุทธศาสนาวันที่เติมบุญใครเกิดมาบารมีน้อยแล้วก็มาเติมเอามาเติมเอาที่ที่เราเกิดมาพบพุทธศาสนาเนี่ยมารู้จักให้ทานนักษาศีลจะเลยภาวนาเพื่อเติมบุญเหมือนปั๊มน้ํามันเติมน้ํามันให้ก่รถที่วิง่งมาเวลานานๆน้ๆํนานมันหมดถังก็แวะเข้าเติมปั๊ม จิตใจของเราบารมีเริ่มหมดถดถอยเนี่ยมันจะเกิดอะไรๆเกิดขึ้นหลายๆอย่างเป็นสัญญาณเตือนภัยให้เราได้รู้ได้เคยไ ด, ได้สม่ำเสมอจะทรงทรงสุดุดหยุดชะงักไปในที่สุดค่ะาบารมีของเรามันเต็มมันได้มาจนหมดแล้วที่เราได้มาเก่าๆแต่ใหม่เราไม่ได้ฝากเลยได้จะ เอาของเก่ามาใช้ใช้ใช้ใชกันนึกว่าบาปบุญมันไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเห็นมีแต่ความสุขรืนเริ ง, เรงมันเทิงไปในลาบยศจนเสริญสุขกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งสิ่งเหล่า น, นั้นยังมาถึงชราอย่างมาไม่ถึงอืมชาติทุกข์าเฟอมเกิดเป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่เห็นทุกข์เพราคนเกิดมามันมีเงินมีทองพ่อแม่ หาไว้สบายสะดวกสบายชาติทุกขาา์าความเกิดเป็นทุกชรก า, าร เ, เป็นทุกข์าความแก่เป็นทุกข์มันก็ยังไม่ทันแก่ก็ยังไม่เห็นทุกข์หรอกมันนาเป็นทุกข์ขังความตายเป็นทุกข์ได้แต่ได้แต่ตรวจไปตรวจเพลินไปแต่ว่าจริงๆแล้ว อ, อจริงๆแล้วมันมีทุกข์เวลาความแก่มาถึง ก็มีทุกข์ความตายตายก็เป็นทุกข์อีกเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันมีกายมันย้มรับมันยายั้งได้นะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอานิจจังพวกเจ้าเป็นตรงคนพบทุกขังพระองค์ก็ตรงคนพบเพราะมันทำให้ทุกประทิงทั้งหลายต้องเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปเป็นอนิจจัง มันนตาก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราบังคับบัญชามันไม่ได้ใช้มันนุ่มอย่างนี้ก็ยุม่ไม่ได้ใช้แก่อย่างนี้แก่ไม่ได้อยู่อย่างนี้เราก็ได้ต่างอ้างอิงเอาตามใจของเราที่ชอบแต่จริงๆเรเป็นไปไม่ได้ตามชอบเพียงแต่ให้กําลังใจตัวเองว่างเพลินปูงมัง่งจริงๆเราเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเกิดแล้วก็ต้องแก่แกแ่เราต้องเจ็บเจ็บเราก็ต้องตาย มีใครร่วงพวน้นความแก่เจ็บตายไปได้อันนี้คนเราจะเกิดลบละรับไปแล้วถ้าคนหมดกิเลสเลยในชาตินี้ก็ดีได้เหยียบย่างเข้าสู่คุณธรรมกันฑ์ตนเบื้องตามแค่โสดาบันก็ไม่ได้รู้อะไรมากโสดาบันรู้เหตุรู้ผลรู้เหตนุนังนำมาสู่ความสุขเบื้องต้นทางกลางที่สุดของชีวิตตัดสินใจทาเลยไม่ต้องรอช้าไม่ว่าจะดีกับตัวเอง อดีแกอ่พี่กับน้องนีกับพ่อกับแม่นีกับแผ่นดินที่อยู่อาศัยของเราไม่ใช่อยู่อย่างเดียวเอาทับถิ่นมาใช้อย่างเดียวแต่ไม่บูรน่ะหรือว่าไม่อยู่ช่วยกันดูแล่ก็มันก็ไม่ใช่คนเกิดมามีบุญมีกุศลมีแผ่นดินทอยู่ของตัวเองคือมักจะรับแผ่นดินคือมักจะรับแผ่นดินแต่คนเกิดมาไม่มี แผ่นดินของตัวเองต้องเช่าก็อยู่ตั้งกระปรูญ้าติญาติหนุ่หลานเหลียหลุนมาจะถึงปัจจุบันนี้ก็ยังก็ยังเช่าอยู่อยงนี้พวกนี้ไม่ค่อยรักแผ่นดินเท่าไหร่จะปลูกต้นไม้สักต้นหนูจะปลูกไปทำไมนี่บ้านเรายังเช่าก็อยู่ที่ดินก็เช่าก็อยู่นะสิ่งที่เราควรจะมีประจําใจทําเอาไว้ให้มันมั่นคงนั่นก็คือทำอทาถรรพ์วัตถุในพุทธศาสนาเช่นทําโบสถ์ โบนี่ น, นี้โถงได้อะไรเติป็นมนุษย์ก็ได้แต่เรือนชานบ้านช่องอหรือขรือหาดแล้วแต่เราทาเล็กทำใหญ่ทำที่เดียวกันเนี่ยแล้วแตกกายทำลายทั้งขานไปแล้วสู่สามภรายภพเราก็ยังได้ที่เปียฐานวิมาณที่อยู่ถ้าเดียวไม่ถึงนิพพานเห่นไหม ทำที่เดียวกันเวลาเดียวกันแต่ได้ผลสองที่พุทธเจ้าจึงบอกว่าบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสองเราทำไปไม่ใช่กินชาตินี้หมดบุญนี่ใช้เป็นถึงนิพพานก็ไม่หมดแต่ใช้ดีเหมือนเราบริหารเงินโลกียะสมบัติบริหารดีๆใช้ไม่หมดหรอกมันรู้จักใช้แล้วมันงอกงามใช้แล้วก็งอกเงินมาเรื่อย